นอ้นอมน้อมต่อคุณพระตรนตรยัยขุกาส ร, รวมพ่อกรมพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสาตว์ธริกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านนะเนี่ยตอนนี้เราจะสังเกตว่ามีเสียงมแมลงนะลองอยู่นะเสียงชนิดนี้ก็เป็นเครื่องเตือนว่าอาจจะมีฝนตกในช่วงระยะเวลาไม่นานนี้นะจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะให้เราสังเกต อ่าสิ่งต่างได้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนกับขื้นซึลามิกมาก็จะมีสัตว์บางอย่างก็จะรู้ทันนะหรืออาจะมีพผ่นดินไหวสัตว์บางอย่างก็รู้ทันนะสัตว์ก็กระสับกระส่าย ก, กันแต่คนเนี่ยรู้ไม่ทันเพราะว่าอะไรเพราะว่ า, าสิ่งต่างนั้นนะเมื่อสามารถที่จะสังเกตได้นะเขาก็จะบอกอะไรเราบางอย่าง ยังมีกลุ่มปฏิบัติธรรม40วันนะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เขาก็เดินทางกลับกันนะ40วันอเป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองนะอยู่กับความรู้สึกตัวต่างๆการที่เรามีโอกาสอยู่กับตัวเองอยู่กับความรู้สึกตัวอันนี้อเป็นเครื่องที่จะทําให้เรารู้จักตัวเราเองได้มากขึ้นนะ การที่เรารู้จักตัวเราเองได้มากขึ้นนั่นแหละก็แสดงว่าเราเริ่มจะสังเกตจิตใจของเราได้แล้วนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะเหมือนกับเราได้ยินเสียงสัตว์ร้องนี่แหละเราจะรู้ว่าเอออนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉนั้นผู้ใดที่สามารถที่จ ะ, อ, ะอยู่กับตัวเองได้น ะ, ะเราจะเริ่มรู้จักว่าเราเป็นคนอย่างไรนะอาจจะเป็นเราจะเห็นกิเลสของเราเกิดขึ้นนะ เอมีความอยากได้ต่างๆนะอยากจะอะ่ไปเที่ยวบ้างนะอยากจะทานอาหารอร่อยออยากจะฟังเพลงอยากจะดูหนังนะสิ่งเหล่านี้ก็คืออกิเลสในใจของเราต่างๆที่เราจะต้องรู้ธรนมะแม้แต่เรามาปฏนบัติธรรมอวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะพรุ่งนี้เราก็จะได้กลับแล้วเนะี่ยบางคนก็อาจจะเกิดความลิงโลดในใจว่าเออเราจะกลับบ้านแล้วนะ เราจะได้ไปกินอาหารที่เราชอบนะได้ดูหนังได้ฟังเพลงได้ไปเที่ยวได้ไปทําสิ่งต่างที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือตันหาในใจของเรานะซึ่งเก็บมาหลายวันเนี่ยมันก็แสดงมาให้เราเห็นชัดมากขึ้นนะยิ่งมีโอกาสที่จะออกจากที่นี่ได้เร็วเท่าไหร่รู้ว่าต้องออกไปในวันของวันเราจะยิ่งเห็นตันหาในตรงนี้ได้ชัดนะตรงนี้ก็คือกิเลสในใจเราที่เขาแสดงออกมานะ การที่เราจะเห็นตัณหาเรานี้ได้ชัดก็คือเราต้องมาฝึกอบรมให้อยู่ในสถานที่ที่มีการจํากัดตัณหาเราจะไม่มีความสะดวกในสิ่งต่างๆอันที่เราอยากก็ได้นะอย่ายากินอาหารที่เราชอบแล้วก็ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นนะอย่าทําอะไรที่เราชอบแล้วก็ไม่ได้ทําแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาฝึกกายฝึกใจของเรานี่แหละเขาเรียกว่า ม, มาฝึกตัวฝึกตน การนี้เรามาฝึกตัวฝึกตนนี่เราไม่ได้มาหาความสะดวกนะแต่เรามาหาความจริงในชีวิตของเราให้รู้จักตัญหาในใจของเราสิ่งที่เราจะรู้จักตัญหาในใจของเราได้ก็คือเมื่อเรารู้จักกายและใจของเราอย่างแท้จริงแล้วนะเราจะรู้จักตัวเราเองเราเป็นคนอย่างไรนะเป็นคนขี้งุนงิบท์ไหมเป็นคนขี้โกรธขี้บ่นขี้เงานะ เป็นคนเจ้าโทสะนะเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจเป็นคนคิดมากต่างๆเนี่ยเรากลับมารู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้นะพะเมื่อเรารู้ในสิ่งความจริงเหล่านี้แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกิเลสในใจเราถ้าเราจะละกิเลสเราก็ต้องรู้จักกิเลสในใจของเราให้ไดก้ก่อนว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างไรนะมีกิเลสอย่างไรเนี่ยก็คือกลับมารู้จักความจริงตรงนี้เนะพราะนั้นการปฏิบัติธรรมนะก็คือการกลับมารู้จัก ากายและใจของเราตามความเป็นจริงนะเพราะวาความทุกข์นี้เกิดที่ไหนความทุกข์นี้ก็เกิดที่กายและใจของเรานั่นเองเนาะนะกายขอยงเรานะเมื่อเกิดมาแล้วนะเราก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะผิวหนังเราก็เริ่มเหี่ยวเนาะตาเราอาจจะเริ่มฟางหูอาจจะเริ่มตึงนะผมอาจจะเริ่มงอก ฟันนจะเริ่มหกักนะสิ่งตางมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเราจะเห็นว่าออสิ่งเราเนี่ยเราห้ามก็ไม่ได้หรอกนะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ถ้าตราบใดที่ใจ เ, เราไม่ยอมรับเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าใจเรายอมรับในความเปลี่ยนแปลงนะของร่างกายได้เราก็ไม่ทุกขนะ์เพราะเรามีแต่ความแก่นะความเจ็บก็เป็นธรรมดานะเราก็หลีกไม่พ้นนะ ยิ่งความตายเรายิ่งหนีไม่พ้นใหญ่นะเพราะเราเกิดมาแล้วเราก็มีคําสั่งประหารชีวิตลงมาด้วยนะอันนี้ไม่มีใครที่จะดีกาหรืออ่าที่จะอุทธรณ์คําสั่งนี้ได้เลยนะทุกคนต้องรับโทษพิพากษาคือประหารชีวิตทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะรับโทษนี้เร็วหรือช้าขนาดไหนนะเพราะนี้เป็น <c oughs> ความทุกข์ประจําสังขารเราอยู่แล้วในความแก่ความเจ็บความตายส่วนความทุกข์ริจจ์มาในขณะนี้นะ บางคนอาจจะปวดเมื่อยโอ้อยากจะลุกขึ้นมาเดินไปเดินมารู้สึกเมื่อยนะหรืออยากจะเข้าห้องน้ํานะอ่าหรืออยากจะทํานูน่ทนทํานี่ที่เราอยากจะเปลี่ยนความทุกนี้นะเพราะนั้นบางทีเราไม่รู้หรอก <c oughs> ว่าที่เราต้องยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพื่อจะแก้ทุกเท่านั้นเองนะแก้ความทุกนะเขาเรียกว่าอีบทปิดบังทุกนะเราจะเปลี่ยนบดไปเรื่อยๆจึงบิดบิดบังทุกในตรงนี้เราจึงไม่เห็นความทุกข แต่ถ้าเราลองนั่งไม่ขยับขยื่อนลุกไปไหนสักชั่วโมงหนึ่งเราจะเลยเห็นความทุกข์แล้วนี่คือความทุกข์ประจําที่เข้าจอนเข้ามานะความหิวความง่วงต่างๆ่าความร้อนความหนาวความเย็นความปวดเมื่อยต่างๆปวดหัวโตร้อนนะาต่างๆคือความทุกข์ที่จอนเข้ามาทั้งนั้นเลยนความทุกข์ในทางกายเนี่ยมันแก้ไขลําบากนะ บางทีเราหิวแล้วเนี่ยเราก็ไปทานอาหารนั้นก็หิวได้ใหม่นะเราง่วงเราไปนอนเดี๋ยวก็กลับมาง่วงใหม่นะเราปวดเมื่อยเราลุกขึ้นไปเดิน <c oughs> เดินสักพักเราก็เมื่อยต้องกลับมานั่งใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆแล้วความทุกข์ทางกายเขาแก้ไม่ได้หรอกนะไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายอความหิวความง่วงเท่าไหร่แก้จริงๆไม่ได้มันแค่บันเท่าเท่านั้นเองนะส่วนความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจมีอะไร ความทุกข์ทางใจก็คือแสดงออกทางอารมณ์ของเราทั้งหลายนั่นแหละนะเช่นความโกรธความรักความชังความกลัวความเหงาความเครียดความอิดชาความหึงหวงความน้อยใจความเสียใจนะความเบื่อต่างๆนะอันนี้คือความทุกข์ทางใจที่แสดงออกมาในทางอารมณ์ความทุกข์ทางใจในเป็นสิ่งที่สามารถจะแก้ไขได้นะเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้ เพราะการปฏิบัติธรรมนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการแก้กความทุกข์ทางใจนะไม่ได้เป็นการแก้กความทุกข์ทางกายนะความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะอ่าเราสามารถแก้ไขได้จริงๆนะเพียงแต่เราออกจากรมเราทันให้ได้เร็วๆเท่านั้นเองนะอยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นไหมถ้าเรารู้ไม่ทันเราก็จะติดเนอารมณ์เหล่านั้นนะบางคนก็ติดในความโกรธเป็นวันๆเออโดนเข้าว่า อเมื่อเช้าตอนนี้ยังโกรธอยู่เลยนะเออบางทีไม่พอนะั้นไปคิดต่อพรุ่งนี้ยังโกรธต่อนะบางคนนี่สักห้าปีมาแล้วเนี่ยเคยโดนคนเขาด่ามานะก็มาย้อนคิดอีกครั้งหนึ่งก็มีความโกรธขึ้นมาอีกนะคิดที่ใดก็โกรธเมื่อ น, นั้นนะอันนี้คือเหมือนก็มีคนเอามีมาแทงเราครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เอามีดนะมาแทงตัวเราเองนับครั้งไม่ถ้วนทั้งท่านที่คนแทงเขาจากไปต้งนานแล้วนะึกไหมก็คือเราทำร้ายตัวเองโดยการมาคิดซ้ําแล้วซ้ําอีก ย้ำคิดอยู่นั่นนะก็ทําให้เรามีความทุกข์มีความไม่พอใจมีความโกรธนะมีความอดสูใจนะมีความเสียใจในอารมณ์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะนะเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ไม่ทันอารมณ์เหล่านั้นนะการที่เราไปโกรธเข้านั่นแหละเราเป็นคนทุกข์นะเข้าไม่ได้ทุกข์หรอกนะอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยทําให้เรามีความทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเรารู้ช้าเนี่ยยิ่งทําอันตรายได้มากขึ้นนะ อารมณ์พระธรรมเขียนก็เคยเล่าอย่างนี้ว่าสมัยท่านอยู่จังหวัดเลยมีครอบครัวหนึ่งนะก็มีมีพ่อนะมีลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เนะี่ยวันหนึ่งลูกสะใภ้ก็โดนพ่อสามีด่าว่านะลูกสะใภ้นี่ยก็โกรธมากก็มาฟ้องสามีสามีขณะนั้นก็กำลังทำงานหนักนะก็มีความเหนื่อยนะพอได้ยินเช่นนั้นก็มีความโกรธขึ้นมานะด้วยกำลังทำงานหนักก็โกรธจัด นะโกรธพ่อโกรธพ่อตัวเองนะว่าเป็นด่าภรรยาได้อย่างไรนะก็เลยคว้าปืลูกซองขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะเพรตอนนี้ก็ไปเจอนะพ่อตัวเองแล้วก็ปืนส่องไปที่พ่อพ่อก็เอามืออ่านะห้ามไว้นะบอกอย่ายิงอย่ายิงลูกชายก็ยิงโต้องอนะ่เข้าแสกหน้าพ่อก็ตายคาที่นะพราะยิงใส่ลูกชายก็ระลึกได้ขึ้นมาเออไอ้ที่เรายิงนี่คือพ้ อ, องเราเองนี่นะ ความโกรธหายไปทันทีนะรีบไปประคองศพพ่อร้องไห้น้ำตาไหลเสียใจมากรอให้ตำรวจมาจับมอบตัวโดยดีนะแล้วก็รู้สึกในความที่ตัวเองนะขาดสติปัญญาความสำนึกในขณะนั้นไปฆ่าพ่อบังเกิดก้าวตัวเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมหนักเป็นอนันตริยกรรมนะมีโทษก็คือไปลงเบจีมหารกอย่างเดียวนะถึงจะทบุญเยอะขนาดไหนก็ไม่อกมีอาการบรรลุธรรม ต้องไปลงเวจีมาหรกเท่านั้นนะอ น, นันต์ติกกรรมก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำพระเจ้าให้หอบพูหิตแล้วก็ทำทรงให้แตกแยกนี่แหละอตายแล้วต้องไปลงเวจีหลกอย่างเดียวเท่านั้นเองเนาะเห็นไหมก็คือรู้ไม่ทันความโกรธนะแม่แต่พ่อเองก็ยังฆ่าได้นะทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้กันเยอะแยะนะบางคนติดยาเสพติดไปขอเงินพ่อแม่ไม่ให้ก็ฆ่าพ่อแม่ก็มีนะ หรือบางคนขับรถปาดกันไปปาดกันมาไม่รู้จักกันเลยนะเกิดความโกรธปาดไปปาดมาพอมีปืนก็ไปชักปืนยิงคนก็ตายทั้งทไม่รู้จักกันน่เสียอนาคตไปเลยนะโดนตำรวจจับต้องขังคุกอีกยาวนานนะเพราะว่าไม่รู้ทันอารมณ์เราเองเพราะงั้นการที่เรารู้ทันอารมณ์นี้นะเราจะอย่างน้อยๆนะเราจะไม่ไปทําผิดต่อไปน ะ, นะต่อมาเราจะออกจากลมได้เร็วขึ้นนะ อารมณ์ทั้งหลายในี่เปิด เ, เปรียบสมัยก็เป็นเลขห้านะสมมติเราความโกรธเป็นเลขห้าแล้วกันนะก่อนจะถึงความโกรธก็ต้องผ่านเลขหนึ่งสองสามสี่ก่อนก็คือต้องผ่านความห ง, งุดหงิดความขัดเคืองความไม่พอใจก่อนแล้วค่ถึงความโกรธนะเราจะสังเกตว่าจริงๆเนี่ยเราก็สามารถสังเกตได้เหมือนกันวนะ่าว่าก่อนที่เราจะโกรธเนี่ยต้องมีความห ง, งุดหงิดความไม่พอใจความขัดเคืองก่อนนะแต่ส่วนมากคนจะสังเกตไม่ทันนะพอมีใครเข้ามาด่ามาว่ามาตําหนิอ่า มาต่อว่ามันินทาเราจะโกรธทันทีเลยนะเราจะไม่ได้สังเกตในสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนนะแล้วเราก็เข้าสู่ลมอย่างรวดเร็วนะบางคนก็เลยเลขห้าไปอีกนะก็ถึงก็ลงไม้ลงมือไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเราอ่ารู้ไม่ทันอารมณ์แล้วเราก็หลงเข้าไปในลมเหล่านั้นแต่ถ้าเรามีสติ <c oughs> เรามีสติเท่านั้นนะเราจะรู้ทันอารมณ์เนี่ยได้เร็วขึ้นนะเราจะเห็นเออขณะนี้นะเราเริ่มมีความหงุดหงิดแล้วะคนเข้ามาด่าเราจะเห็นความหงุดหงิด ความขัดเคืองความไม่พอใจที่เกิดขึ้นพอเราเห็นอารมณ์เหล่านี้ถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเรารู้เฉยๆนะเรารู้เฉยๆเราไม่ไปคิดต่อไม่ต้องอยากให้อารมณ์นี้หมดไปคือไม่ไปผลักไสอารมเหล่านี้ให้ใหเขาหมดไปแล้วก็ไม่ไปติดอารมณ์เหล่านี้เขาเรียกว่าเรารู้เฉยๆอารมณ์เหล่านี้ก็จะหมดไปได้เองนะก็คือเขาจะดับไปได้จากการที่เรามีสตินะเพราะว่าการที่เรามีอารมณ์โกรธเนี่ยเขาเราียกว่าเป็นอุโสรจิตนะ แต่เมื่อเรามีาสติรู้ทันขนาดนี้เรากำลังโกรธแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นกุศลจิตเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วอกุศลก็จะดับไปทันทีนะเพราะจิตมันจะเกิดดับได้ที่เรดวงเป็นแต่ละขณะขณะเท่านั้นนะเพราะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วอกุศลก็ต้องดับไปเพราะจิตจะเกิดได้เพียงขณะเดียวเพียงดวงเดียวเท่านั้นเพราะการรู้เฉยๆนั่นเองนะแต่ถ้าอยากให้เขาดับไปเนี่ยก็เป็นกุศลเป็นอกุศลเหมือนกันนะเพราะเป็นความโลภเป็นตัณหา เพราะนั้นอกุศลจึงเป็นกลุ่มเดียวกันความโกรธจึงไม่ดับนะเพราะนั้นเราก็รู้เฉยๆก็พอแล้วนะเขาก็ดับไปเองเนะี่ยเพราะนั้นถ้าเรามีสติแล้วเราจะเห็นเลขหนึ่งของทุกๆลมนะทุกๆลมก็คือเลขหนะ้านะอ่าเขมีสติไวจะเห็นเลขหนึ่งเลขสองของทุกลมแล้วเราก็จะไม่้ถึงเข้าถึงเลขห้าไปเองอเราก็จะไม่เข้าถึงลมต่าง <c oughs> การนี้เราไม่เข้าถึงลมต่า ง, างๆนั่นแหละจะทำให้ความทุกข์เราน้อยลง ความสุขเราก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะจากการความทุกเราน้อยลงไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสตินี้นะเราสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะยิ่งน่อยเราทํางานสาธารสุขนะเราต้องบอกเลยบริการประชาชนการบริการประชาชนนี่เราจะทําหน้ายักษใส่เขาก็ไม่ได้นะอ่าพทุกวันนี้ก็เป็นอ่าก็มีสโลแกนอยู่แล้วว่าเออบริการประชาชนอย่างดีเหมือนกับ ดียิ่งกว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลสิกนะดีกว่าโรงพยาบาลของเอกชนสิกนะเพราะฉะนั้นอาการที่เป็นข้าราชการสมัยนี้นะไม่ว่าจะทํางานอะไรอยู่แผนกไหนนะจะเป็นสมิญเป็นปรหลัดอาเภอเป็นอยู่ในกระทรวงรายการใดๆก็แล้วแต่มีผู้มาติดต่อะจะเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะเพราะนโยบายของรัฐบาลสมัยใหม่เขาให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยที่ยิ้มแย้มเยีมย่มใสนะ พ้นการที่เราจะยิ้มย้มแจ่มใสนี้ต้องเกิดจากจิตภายในเรานะเราจะแก้งยิ้มไม่ได้หรอกนะเราไปลองแก้งยิ้มในกระจกดูว่ามันน่าเกลียดจังเลยเนาะแต่ถ้าเรายิ้มด้วยความเบิกบานจากในใจเราจะรู้สึกว่ามันน่ารักนะแล้วมันก็น่าที่จะเป็นมีความประทับใจกับผู้ที่พบเห็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีการยิ้มจากภายในที่ดูแล้วน่าประทับใจก็คือจิตเราเนี่ยต้องมีความเมตตาเกิดขึ้นนะ มีความรักกับคนอื่นมีความรักในการงานมีความรักในบริการของเราที่อยากจะช่วยเหลือคนจริงๆนะเพราะการที่เราช่วยคนเนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญอาชีพที่จะทำบุญได้ง่ายเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่สองอาชีพเท่านั้นเองก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยเป็นแพทย์เป็นพยาบาลต่างๆเราเนี่ยเราช่วยกับประชาชนได้เยอะเพราะมีคนมาเกี่ยวข้องกับเราเยอะแล้วคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็มีความทุกข์ด้วยนะ อาชีพอื่นๆก็เช่นเป็นครูบ้างเป็นตำรวจบ้างเนี่ยก็สามารถบริการประชาชนได้เราทำถึงแม้เราจะได้เงินเดือนก็จริงแต่ถ้าเราทำด้วยจิตที่มีกุศลจิตในการบริการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นับเป็นบุญเป็นอุศนทั้งสิน้นเนี่ยจิตที่จะเกิดเป็นบุญได้นี่ก็เกิดจากการที่เราอาจจะต้องอเกิดจะภายในของเราก่อนนะเมื่อจิตเรามีเมตตานะในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเราเริ่มจ ะ, ะเข้าใจจิตของเราแล้วน ะ, ะจิตเรา มีความอ่อนโยนมากขึ้นไหมนะเพราะมีหลายๆคนที่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วนะเขาก็บอกว่าเออลุกสึกว่าจิตเขาก็มีความอ่อนโยนมากขึ้น่าแล้ตรงนี้ถ้าหากว่าจิตเรามีความอ่อนโยนแล้วแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มจะใช้ได้แล้วนะอจะมีสติเกิดขึ้นในตรงนี้แล้วนะมีความอ่อนโยนนะมีความเมตตามากขึ้นนะพราะเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะรักนะมีความสงสารมีความเมตตากับประชาชนนี้แท้จริงนะเราจะไปทํางานได้อย่างเต็มที่นะ ตรงนี้นะจะทําให้กิจการงานเรานี่มีความสุขเพราะเมื่อก่อนบางทีเราเห็นประชาชนแห่เข้ามาที่สถานีบริการของเราจะมีความรู้สึกเครียดมีความหงุดงิดโอ้จะแห่กันมาทอดกรินทอดป่าเลยไงนาะมากันเยอะแยนะเราจะรู้สึกน่าเบื่อนะ่าลาคาญมาเยอะแยะแต่ว่าตอนหลังประชาชนมาโอ้เรามีความสุขนะเราจะได้ช่วยเขาแล้วนะได้บริการเขาแล้วนะเราจะได้บุญนี่แหละหน้าต่างเราจะมีความสุข เราจะมีความพอใจในงานของเราเราจะมีความรักในงานนะพรา้คนที่จะมีความสุขในชีวิตเนี่ยจะต้องมีฉันทะในงานใช่ไหมทำงานอะไรก็ต้องมีความพอใจในงานนั้นนะเขาเรียกว่ามีฉันทะเนี่ยผู้ใดไม่มีฉันทะในงานนะเออไม่ชอบงานนี้เลยทำไปวันๆอย่างนั้นเองนั่นแหละทำให้หมดไปวันๆหนึ่งเมื่อไหร่ถึงจะเลิกงานัทีเนาะอันนี้ก็เรียกว่าเร า, เราทำด้วยความทุกข์นะเนี่ยเราก็จะ ไม่มีความสุขในงานเนี่ยเรามีชีวิตเราก็เหมือนกับอยู่ไปวันๆหนึ่งเราก็ไม่มีความภูมิใจในงานของเราและชีวิตของเราด้วยนะบางทีเราจะอยากเปลี่ยนงานใหม่ซะอีกนะแต่ถ้าเราพอใจในงานนี้ปั๊บโอ้วันๆหนึ่งเรามีความสุขมากนะในการบริการประชาชนเนี่ยตรงนี้ต้องเกิดจากภายในเองเราให้ได้นะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาให้ได้เนะพราะฉะนั้นจากสี่วันนี้เราจะเห็นว่าเราก็มาฝึกกันนะให้มีความรู้สึกตัวนะ อาศัยฐานกายนี่แหละเป็นเครื่องมาฝึกกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถฝึกได้ทั้งกายและจิตนะอฝึกจิตก็เช่นไปนหลับตานั่งสมาธินะอันนั้นสามารถทําได้นะให้จิตมีความสงบนะอันนั้นสัมสามารถทําได้นะแต่ถ้าเราบางคนนี่สังเกตฝึกมาสิบปียี่สิบปียังไม่เคยเจอความสงบก็ยังมีนะอแม้แต่สงบขั้นแรกเนี่แหละขั้นนิ้กับสมาธิจริงๆก็ง่ายอยู่แล้วนะ ก็เจอกันนะอุปจารสมาธิบางคนแทบจะไม่เคยเจอเลยนะสมาธิขั้นกลางยิ่งอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นลเอียดก็แทบจะไม่เคยเจอนะพราะคนอย่างพวกเรานี่ยเขาเรียกว่าฝึกตรงนี้ยากมากนะเรามีกิเลสเยอะแยะนะอ่ามีแต่รูปรสกลิ่นเสียงจะฝึกสมาธินี่ยากมากนะแล้วถ้าฝึกแล้วยังไม่รู้ว่าเราจะมีสติหรือเปล่านะส่วนการที่เร า, เามาฝึกเจริญสตินี่เป็นสิ่งที่ง่ายนะเพราะเราฐานกายเนี่ยมาเคลื่อนไหวกันนะเราสิ่งที่เราสามารถรู้เห็นได้ไง่ายๆนี่แหละ ในสิบสีจังหวะแล้วก็ยกมือขึ้นนะยกมือเอามือยกขึ้นยกลงโบกมือไปโบกมือมาเรารู้สึกตัวไหมนะถ้าเรารู้สึกตัวตอนนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะเอาสิ่งง่ายๆมาทําให้เกิดสติขึ้นมานะเราเดินจงกรมเมื่อก่อนเราเดินไม่รู้ไม่มีสติอะไรเลยนะเดินทั้งวันวันหนึ่งเดินประมาณ2อสาชั่วโมงเป็นอย่างน้อยๆนะยิ่งคนที่ทํางานลงไปบาบาลเนี่ยเดินแทบทั้งวันอยู่แล้วนะ บางทีก็เดินไปงั้นน่ะเดินไปคิดไปไม่มีความรู้สึกตัวอ่าแต่ถ้าเรามาสี่วันนี้สี่ห้าวันเรามาเดินแล้วมีความรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยเรากลับไปใช้ได้เลยนะอ่อันนี้สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นอยู่อ่าสารนสุขของเราเราก็เป็นการแบบทําในตัวอยู่แล้วนะอ่าบางทีเราเดินไปเนี่ยเราไม่ได้เดินเฉยเแต่เราเดินรู้สึกตัวไปด้วยนี่ยมันจะเพิ่มศักยัติทิฐิอ่าเพิ่มอ่าประสิทธิภาพของตัวเราว่าเราสามารถที่จะ ปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลานะใจจะได้ไม่ตึงดิ้นลดมาวัดอีกบ่อยๆนะอเพราะเราสามารถปฏิบัติธรรมที่ทํางานเราได้แล้วนะอีกหน่อยพอเรายกมือไส้บาตรเป็นนะเราพอเราเอาช่วยคนช่วยเหลือคนไข้นะเออไปฉีดยาให้เขาเอาเราฉีดด้วยความรู้สึกตัวก็ได้นะตอนอาหารเนี่ยเขาก็ป้อนด้วยความรู้สึกตัวอีกนะเอเราช่วยในเรื่องกายภาพบาบัดเราก็รู้สึกตัวไปได้นะเออ ต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำํำในตลอดเวลานะอีกหน่อยเราจะเขียนหนังสือกระพริบตาปุ๊บเราก็รู้สึกตัวไปได้ด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าเราทำํำในตลอดเวลาเลยนะหรือแม้แต่เดินไปเที่ยวห้างสบสินค้าเมื่อก่อนเราเดินแบบไม่รู้เรื่องเออเดินไปหลงไปเดินไม่ไคิดไปเราก็รู้สึกตัวได้ด้วยนี่แหละอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะนําไปใช้ได้จริงๆนะตรงนี้จะไ ป, ไปพัฒนาศักยภาพในการทํางานเราเนี่ยมากขึ้นนะ เพราะนั้นในสี่วันนี้น่ะเรามาฝึกในตรงนี้แล้วมันได้ประโยชน์จริงๆมาเพราะเราได้นําไปใช้ได้จริงๆนะครั้นี้ไหนบางที่เราฝึกแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเออบางครั้งนะเราก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวดีบางครั้งก็รู้สึกตัวไม่ดีอันนั้นไม่เป็นไรนะไม่จะเป็นความผิดของเรานะรู้สึกตัวไม่ดีเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่เที่ยงเราบังคับเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมบางวันเราดีบางวันก็ไม่ดีก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ไปทุกในตรงนี้นะแต่เราสังเกตได้ไหมว่าเออเรายอมรับความจริงได้ไหม ถ้าเรายอมรับความจริงได้เราก็ไม่ทุกข์นะบางทีเร า, าปฏิบัติธรรมไปแล้วเรามีความคิดมากมายเออทาไมเวลาเราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมมันยังคิดไม่เยอะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วมันคิดเยอะกว่าเก่าเราสังเกตความคิดได้มากขึ้นนะตรงนี้เราก็ถือว่าเราก้าวหน้าแล้วนะปกติเราอาจจะคิดเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่เรามไม่เห็นอแต่เราเห็นเออเราคิดเยอะกว่าเก่าแสดงเราเริ่มสังเกตเป็นแล้วว่าเราเนี่ยมีความคิดมากขึ้นนะ พระนโรบเทียนก็เลยบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเพราะว่าถ้าเราคิดไปร้อยครั้งเนี่ยเรารู้เยอะเลยรู้สัก7จ็ดสิดครั้งนี่แสดงว่าเราสติเราก็ดีแล้วนะแต่คิดไปร้อยครั้งรู้สักหนึ่งครั้งนี่แสดงว่าเราหลงไปต้อง99ครั้งคือรู้ไม่ทันนะแสดงว่าสติเราก็น้อยนะเพราะสติจะพัฒนาขึ้นเกิดจากการที่เราสามารถที่จะออกไปแล้วกลับมาได้ไหมนะเราหลงไปเนี่ยหลงก็คือหลงเข้าความคิดเนี่ยเรากลับมาได้ไหม อ่าถ้าเราหลงไปแล้วกลับมาได้นี่เราได้หนึ่งคะแนนแล้วนะอ่าเรากําลังสร้างอย่งังไงอยู่คิดแวบไปเออกลับมารู้สึกตัวใหม่เออเราได้หนึ่งคะแนนแล้วอ่าใส่ไวาอีกคิดแวบไปกลับมารู้สึกตัวใหม่นี่เราเราได้สองคะแนนแล้วมันได้คะแนนตรงที่กลับมานั่นเองนะแต่ถ้าเราไปนั่งนิ่งๆสงบอันนี้มันไม่รู้คะแนนเกิดขึ้นตรงไหนได้ไหมอ่าเราไม่ได้หาความสงบแต่เราหาหาความที่ว่ากลับมาได้นั่นเองนะ การที่กลับมาได้เนี่ยเขาเรียกว่าสติเพราะสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะในหนังสืออนุวกวัตบอกว่าธรรมที่มีอุปการะมากมี2 อ, อย่างคือ1สติความระลึกได้2 ส, สัมชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเพราะฉะนั้นสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะระลึกว่าเราขณะนี้คิดไปแล้วนะรู้ทันความคิดกลับมาได้เออเนี่ยเราได้คะแนแล้วนะ หรือเรามีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีความรักความชังต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเรารู้ทนันเอินี่เราก็ได้คะแนแล้วนะหรือเรารู้ขนาดนี้เรากำลังนั่งทําอะไรอยู่กําลังนั่งยกมืออยู่นะอ่ากำลังนั่งครึงนิ้วนะีหรือกําลังนั่งเฉยๆอ่ากำลังได้ยินเสียงอันนี้ก็เราก็ได้คะแนนเหมือนกันนะเราก็ระลึกได้ขนาดนี้ากาลังทำอะไรอยู่เนีย่ยมันได้คะแนนทั้งนั้นเลยนะเพราะคะแนนจากสติ ก, ก็คือการที่เราระลึกได้นั่นเองนะ แต่ถ้าเราระลึกไม่ได้มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นความหลงนะก็เรียกมีความหลงความหลงนี่มันจะหลงเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ขาดสตินะเพราะคนที่หลงเนี่ยสามารถทําอะไรที่มันหลงๆเนี่ยได้นะเช่นคนเมาเนี่ยทําสิ่งที่มันเมาๆหรือหลงๆนี่ได้ง่ายมากเลยนะทําสิ่งที่น่าเกลียดต่างๆก็ได้นะไปยืนปัสสาวะกลางถนนก็ยังได้นะไปทําอะไรที่น่าเกลียดเยอะยๆได้เลยนะ หรือที่น่าเกลียดยิ่งกว่านั้นก็คือขับรถไปชนกันนะนี่ยิ่งน่าเกลียดมากนะทาเป็นตนเองเดือดร้อนไม่พอทําปนคนอื่นเดือดร้อนด้วยน ะ, <c oughs> ะเขาเรียกว่าเราหลงแบบขาดสตินะแต่หลงอย่างที่เราไม่ต้องหลงขนาดนั้นเราก็หลงวันๆหนึ่งหลงเยอะแยๆอยู่แล้วใช่ไหมหลงไปในความคิดต่างๆไม่รู้ว่ากํกาลังคิดอยู่นี่แหละคิดไปสิบเรื่องยังไม่รู้กําลังคิดเลยนี่ที่ว่าเราหลงนะเราโกรธเราก็ไม่รู้เราโกรธอันนี้เราก็หลงแล้วนะเรารักก็ไม่รู้เรารักนี่ก็หลงแล้วนะ อันนี้เป็นอันตรายในที่ว่ามาบางทีไปฆ่าคนตาก็ไม่รู้ว่าตัวเองหลงเลยนะเพราะคนที่หลงในมีอยู่เยอะมากปกติแหละคนเราจะหลงทั้งวันอยู่แล้วนะแต่สิ่งที่ตรงข้ามกับตัวหลงก็คือตัวรู้นั่นเองนะรู้คืออะไรรู้ก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจหรือที่อาจจะพูดง่ายๆว่ารู้เนืรู้ตัวนะอ่าสุดูก็คือรู้กายรู้ใจนั่นแหละนะหรือว่าก็คือการที่เรามีสตินั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นการรู้เนี่ย เพราะนั้นตัวรู้กับตัวหลงมันตรงกันข้ามนะพอเราหลงเยอะเนะี่ยรู้มันก็น้อยนะเหลือจะไม่รู้อะไรเลยแต่พอเรารู้เยอะเนะี่ยหลงมันก็จะน้อยไปเองหรือจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหรืออันน้อยจนหมดไปก็ได้นะเพราะเรามีตัวรู้เยอะนะตัวรู้เยอะก็ใหม่ๆเราก็มาสร้างขึ้นมาเองอ่าต้องสร้างขึ้นมาก่อนนะอยู่ดีๆเขาก็คงจะรู้อ่าเยอะๆไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่า ท่นวิธีการลงมาเทียนก็คือให้เรามาสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะกันเพื่อเราจะได้รู้ได้เยอะขึ้นรู้ได้ต่อเนื่องได้ดนานๆนะถ้าเราจะไม่สร้างสิบสี่จังหวะก็ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกไว้แล้วในสติปัฏฐานสี่บอกว่าอผู้ใดที่เห็นกายในกายนะก็คือเห็นอ่าในอิปดใหญ่คือยือนเดินนั่งนอนน ะ, ะรู้ว่าขณะนี้ เรากําลังยืนนะกำลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนนะอันนี้ก็เป็นอีบทใหญ่เนี่ยเราตามรู้ไปอีบท ย, อยนะ่อยนะดื่มกินพูดคิดคู่แคร์เย็ดแขนก้มเงยเหลียวซ้ายแลขวาเดินก้าวหน้าเดินถอยหลังอุจจาระปัสสาวะ <c oughs> ก็คืออีโบทย่อยทั้งหลายแหล่นะเช่นคู่แครยียดแขนเนี่ยนะเรารู้ไหม <c oughs> ตรงเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดสติได้นะเขาเรียกว่าเป็นสติปัฐานสี่นะหรือรู้ในทางกายนะ รู้ในสิ่งที่หยาบหนี่ก่อน <c oughs> การที่เรารู้ในสิ่งหยาบหเนี่ยต่อไปจะเราจะรู้ในสิ่งละเอียดได้เองนะนะก็จะเป็นสามารถที่จะรู้จิตใจของเราเนี่ยต่างๆได้นะใหม่ๆนี่เราก็รู้ทางกายตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเ อ, อ่อคู่แขนเหยียดแขนก็เช่นเรายกมือสร้างยังวะเนะี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เลยว่าคู่แขนเหยียดแขนแล้วนะเราเดินโยงกลมก็คือการที่เราเดินอ่าเดินไปเดินมาอีบดหนึ่งในสี่ก็คือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราก็มาพัฒนาตรงนี้ให้ต่อเนื่องกัน นะพอเราทําได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยกายขึ้นไหวใจรับรู้ไปเรื่อยๆนะยกแขนคู่แขนตรงนี้กายขึ้นไหวใจรับรู้นะเท้าได้จงกลมไปใจรับรู้ไปเรื่อยๆอันนี้มันจะทําให้เกิดสิ่งนี้ตามมาคือเราจะเห็นความคิดขึ้นมานะเห็นความคิดพอจิตเห็นความคิดก็จะเห็นธรรมนะกายขึ้นไหวใจรับรู้แหละพอหลังจากนั้นก็จะทำให้เห็นว่าดูกายเห็นจิต ดูคิดเห็นธรรมได้นั่นเองนะจากการที่เรารู้กายกเราจะเห็นจิตจากการที่เราเห็นจิตหรือเห็นความคิดเราจะมองเห็นธรรมนะเพราะนั้นเมื่อเราอยู่กับฐานกายแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นนะออปวดเมื่อยต่างๆนะหรืออารมณ์ต่างๆที่ทําให้เรามีความสุขความทุกข์เป็นเวทนาทั้งหลายแหละเราก็จะเห็นมันนะเห็นว่ามันก็ไม่เที่ยงนะสิ่งต่างๆเลยมาแล้วก็ไปนะบางทีเราลองนั่งดูชั่วโมงนึงมีความปวดไหม สองชั่วโมงผ่านไปสาชั่วโมงผ่านไปความปวดจะเริ่มหายไปนะเพราะเขาแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วนะอะเข้ามาแล้วก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาหลังนั้นเราจะเห็นความคิดเห็นจิตได้ชัดขึ้นนะเห็นว่าเอ อ, อการที่เราเห็นจิตนี้เขาเรียกว่าอจิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นเเราจะกลับมาเห็นจิตได้ะว่าจิตเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะเขามีความคิดอย่างไรนะเขาเกิดดับอย่างไรเขามีความกระเพิ่มอย่างไรนะเขามีอาการอย่างไรให้เราเห็นอเขามีเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เราเห็นไหมเราจะเห็นหนึ่งสสามสี่ห้าได้ชัดขึ้นนะเพราะเราดูจิตได้นะ ก็กิดจากที่การที่เรารู้รู้ทันนะการกายมาก่อนนั่นเองนะแต่ใหม่ๆเราก็ยังยังเพิ่งไปตั้งใจดูจิตนะเพราะเรายังดูจิตไม่เป็นอ่าถ้าเราตั้งใจดูจิตแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จะลงเข้าไปจิตนั่นแหละใช่ไหมก็เลยกลายเป็นเข้าไปในจิตเลยเป็นความคิดเยอะแยะไปนะหรือจิตก็จะแข็งตึงมึน <c oughs> เกิดความแั่นขึ้นมาเพราะเราดูจิตไม่เป็นนะแต่เรามาอยู่ฐานกายเนี่ยเราเราก็จะสังเกตจิตเป็นเอง พอหลังจากที่เราสังเกตจิตเป็นแล้วเราเห็นภาวะความเกิดความดับของลมต่างๆได้ชัดนะความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นเขาก็ดับไปความรากักเกิดขึ้นเขาดับไปอันนี้ก็เรียกว่าเราเห็นธรรมแล้วนะเพราะการที่เห็นธรรมก็คือเห็นภาวะธรรมที่เขเกิดแล้วก็ดับไปนั่นเองนะอันนี้ก็เริ่มต้นจากการที่เราอยู่กับฐานกายก่อนนะมาลุ้กการเคลื่อนไหวนะบทใหญ่บทย่อยนะต่างๆเหล่านี้นะ แล้วก็จะพัฒนาไปในชีวิตประจำวันเราได้เองนะอีกหน่อยพอเราตื่นนอนปั๊บเราก็เริ่มรู้เลยเออขณะนี้เราตื่นแล้วนะเราก็ตั้งใจที่จะมีความรู้สึกตัวอ่าตั้งใจอ่าตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวอ่าพับผ้าห่มอ่าทางซ้ายทางขวาด้วยความรู้สึกตัวนะอ่าหลังนั้นก็เข้าห้องน้ําตั้งใจแปรงฟันด้วยความรู้สึกตัวอุจจาระปัสสาวะด้วยความรู้สึกตัวนะมันก็ต่อเนื่องก็ได้ทั้งวันเนี่ย ทั้งวันนะอีกหน่อยแล้วก็จนเข้านอนได้เลยอันนี้มันจะต่อเนื่องกันทั้งวันได้นะตรงนี้เราสามารถที่จะพัฒนาในตรงนี้ได้นะเราก็เริ่มต้นจากที่ใหม่ๆตรงนี้ตรงนี้ได้ก่อนยกมือไสวกระบะได้ไหมนะยกมือสักชั่วโมงนึงได้ไหมนะเดินสักชั่วโมงนึงได้ไหมเนี่ยพอทํำนี้ได้หน่อยก็พัฒนาไปในตัวเองนะโดยเราไม่ต้องไปตั้งใจหรอกแต่จิตเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความชํานาญในการที่เขาจะพัฒนาตัวเขาเองได้อยู่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ในใหม่ๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเข็นก่อนใช่ไหม มันก็รถที่รถเสียเนี่ยใหม่ๆเราต้องเข็นก่อนที่กําลังการการเข็นเมื่อเราเข็นเต็มที่แล้วรถติดก็วิ่งได้เองนะอ่าอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องเข็นรถก็วิ่งได้เองนะหรือเหมือนกับอ่าสมัยก่อนเรือยนต์เรือยนต์สมัยก่อนนี่เครื่องยนต์ต้องเผาหัวก่อนนะต้องเอาเตาฟู้เนี่ยเตาฟู้มาเผาหัวพอเผาไปนานๆนะให้ความร้อนเต็มที่แล้วเครื่องยนต์ก็ติดได้เองนะมันก็ล่นไปได้เองเราก็ไม่ได้ไปเผาหัวแล้วนะ เพราะนั่นหมายจะต้องทําในขั้นแรกก็ต้องทําให้เต็มที่ก่อนนะหรือยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะสีไฟนะสีไฟเราสีแล้วก็หยุดสีแล้วก็หยุดก็ไม่เกิดไฟแล้วก็สีไปเรื่อยๆก็เกิดไฟขึ้นมาได้ใช่ไหมก็เกิดยากกันเราต้องทําให้ต่อนเนื่องติดกันในระยะหนึ่งก่อนแล้วเมื่อเครื่องติดแล้วในจิตก็จะสามารถเข้าใจและทํางานได้เองนะเพราะตรงนี้หน่อยพอเรามีสติแล้วเราจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆว่าเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเองนะมันไม่เกี่ยวกับเราหรอก เราเป็นแบบเพียงผู้รู้ผู้ดูเท่านั้นนะอ่ความโกรธเราก็เป็นแค่ผู้ดูเราไม่ได้เป็นผู้แสดงไม่ได้เป็นผู้เป็นเหมือนลูกบอกําเขีมาว่าเห็นแต่ไม่เป็นก็คือเราเห็นเห็นอารมณ์ได้เห็นความโกรธความรักความชังได้เพราะว่าเขาไม่ได้หมดไปหรอกตามตดนที่เรายังไม่เป็นพระรหันอารมณ์เหล่านี้ก็มีได้อยู่นะความโกรธความรักความชังกิเลสทั้งหลายมีอยู่ได้แต่ว่าเราเป็นผู้ดูเข้าได้ไหมไม่ต้องเป็นผู้แสดงได้ไหม นะเพราเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้แสดงเราเป็นแค่ผู้ดูแล้วนะเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะเป็นผู้แสดงทุกครั้งไปแล้วนั่นก็คือความทุกข์เราทุกทุกคั้งที่เกิดขึ้นนะเพะวพวกเราก็อ่าเราก็ในขั้นแรกเราก็อ่ามาให้มีสตินะอ่าหลังนั้นก็จะมีมีสมาธิมีปัญญาตามมานะจากผลทางเนี่ยกิเลสเราจะค่อยๆลดลงจากการที่เราเป็นผู้เป็นเปลี่ยนเป็นผู้ดูนะอ่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้แสดงนะเราจะมี ไม่มีความทุกข์ในตรงนั้นนะอีกหน่อยเรากลายปผู้ ด, ดูไปตลอดเลยนะอะไรๆแล้วก็ดูได้พอดูปุ๊บไปไงก็ไม่ก็ดับไปใช่ไหมอ่ามันก็เกิดดับให้เราเห็นเนี่ยจากการที่เราสามารถเข้าใจอ่าสภาวะจริงได้ว่าทุกอย่างนะมันไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นนักตาไม่มีสิ่งใดอยู่ได้ทนทานหรอกนะอ่าความโกรธในใจเราเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอ่าเพียงแต่เราไม่ไปนสนใจไม่ไปให้ค่าเก็ผ่านไปอยู่แล้วนะเราแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วเนี่ย ความทุกข์ในใจเราจะลดลงอย่างแท้จริงนะและนี่ก็เป็นคนทางที่จะพ้นทุกข์ได้นะก็ขอทุกท่านทุกท่านน ะ, ะ, จะเจริญในศีลสติสมาธิปัญญาละถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน